ทุกวันนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละตอนนั้นเขาจะมีภาษาหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบัรตาท่านปัญญาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อยังจําไม่ลืมท่านปัญญาบอกว่าเป็นคําเป็นคําคมของฝรั่งมั้งนะบ่านะี่ดูสิโลกมันบ้ากันทนะั้งนั้นคนหนึ่งทําอย่างคนหนึ่งทําอย่างไม่น่าทําก็ทำมิตรเราสองคนเนี่ยนพะอพูดกันพอจะรู้เรื่องบงัง อแต่บางครั้งคุณคุณก็เพลเพลจะบ้าบ้าเหมือนกันนะหัวนที่สเลยเป็นดีแต่ตัวคนเดียวกันเนะ่ะขนาดเพื่อนยังเป็นบ้าอีกหลวงพ่อฟังเนพะื่อนหลงพ่อกับขํา<ม>โลกทั้งโลกมันเป็นบ้าไปหมดน ะ, ะมีแต่เราสองคนพอพูดกันพอจะรู้เรื่องอแต่บางครั้งคุณก็เบอร์เพลเพลอีกเหมือนกันหัวเอฝนที่สูงเลยมีตัวเองคนเดียวเป็นคนดี เพื่อนกันอะไเพื่อนกันจะเป็นบ้าไปเองฟังฟังเลยแล้ว อ, อ, อันนี้การทํางานต้องประสานกันดีอันไหนควรยังไงไม่ควรยังไงพองานมางานใหญ่จะไปแบกคนเดียวไม่ได้เรต้องอาศัยรูปแบบการขับเคลื่อนเหมือนกับฟันเฟืองการทํางานฟันเฟืองตัวเล็กฟันเฟืองตัวใหญ่ก่อนที่มันจะเป็นขึ้นมาได้ก็ต้องฟันเฟืองตัวเล็กหมุนบางทีจะใช้ฟันเฟืองตัวใหญ่หมุน เพื่อไปหาฟันเฟืองตัวเล็กบางที่กับบางโรงงานกับเอาฟันเฟืองตัวเล็กหมุนขยับขยับขยับขึ้นไปจนฟันเฟืองตัวใหญ่มันหมุนอันนี้ก็การทำงานของพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละต้องมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันสมานฉันรักสมัคคีกันเอาไว้ทำยังไง งานนี่จะไปได้ดีแต่ตามไม่จริงงานกระถินของหลวงพอ่อถ้าจะว่าใหญ่มันก็ใหญ่ถ้าจะว่าเล็กมันก็เล็กเพราะเหตุอะไรจไึงว่าจึงจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้มีใบดีกงดีกาเชิญอะไรเป็นรายลกักษณอักษรเพียงตะประกาศบอกกล่าวเล่าซิบกันกระถินหลวงพอ่อศรัทธาญาติโยมผู้ที่อยากจะมาร่วมทาบุญกับกถิน ของหลวงพ่อปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวเท่านั้นแหละผู้ใดจะมากก็มาเนดะ้ออันนี้หลวงพ่อเขาประกาศอย่างนั้นทุกปีแต่ทุกปีที่ผ่านมานะถ้าจะว่าไปแล้วก็มืดฟ้ามูดินเหมือนกันคนที่มาในงานนะมากพอสมควรหลวงพ่อเห็นวํ า, าสำหรับสายตาหลวงพ่อหลวงพ่อบอว่ามากนะอือาจจะหลวงพ่ออาจจะไปยังไม่เคยเห็นวัดอื่นแต่วัดหลงตาเปรียบเทียบไม่ได้นะดละก็วัดหลวงตาแลก็ต้องมาก แต่ขนาดวัดหลวงพอนะ่อเน่ะหลวงพ่อกะว่างอูขนาดนี้กับพอแรงตอนี้การที่คนมามากเนะี่ยเราจะรับมื อ, อยังไงอันนี้เนะ่เป็นเรื่องใหญ่สาหรับวัดทนะ่านจะวัดอันเรื่องนะเรื่องน้ำมันเล็กบางง้นนะจุดประสงค์คือเล็กแต่มันตอนรับคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยทนี้ที่ผู้มาเกี่ยวข้องนะจะเลี้ยงยังไงที่มาเข้ามาคนเข้ามา กลางค่ำกลางคืนมีไฟไหมมีห้องน้ํำไหมมีน้ํามีไฟไหมมีอาหารการบริโภคไหมหลับนอนยังไงที่พักพผ้าศัยทํำยังไงนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องตอนรับขับสู้เนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาทุกปีนะเพราะนั้นปีนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมของงานเนี่ยก็ต้องประสานกันหลายหมู่หลายคณะหลายพักหลายพวกทั้งพี่น้อง ประชาชน ญ, ญาติโยมด้วยทั้งฝ่ายพระด้วยทั้งผู้อยู่ใกล้ด้วยอยู่ไกลด้วยอย่างลงทานอันนี้เราก็ต้องได้จดจดจ ด, จดอาไว้เหมือนกันเผื่อวันนั้นมาก็เอาเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่มาร่วมงานสรุปแล้วก็คือการทําบุญร่วมกันนั่นเลี้ยงอาหารการบริโภคมาวัดทําบุญกับวัดวาศาสนาอย่าให้อดอย่าให้อยากให้มีอยู่มีกิน อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะไม่ว่าระดับไหนการเป็นอยู่มันต้องช่วยๆกันให้ดูแลกันพร้อมเพียงสมัคคีกันผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกเป็นเต้าผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ต้อง ช่วยดูแลกันทุกระดับนัะนนะแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับพุทธอุปถากไงพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะตั้งพระอนุนเป็นพุทธอุปถากทีเดียวเลยก็ไม่ใช่นะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้บรรลุหรือได้ตัดสรุปธรมปรมพอได้บรรลุธรมรมแระประกาศพระศาสนาไปทั่วสารทิศ แต่นี่ก็มีบริษัทองค์ลวานมีลูกศิษย์ลูกหามากมายขึ้นมาจดอายุของท่าน45ปีเลยลูกศิษย์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองนลทีนี้ก็พระพุทธองค์ยังไม่มีอุปถัมภ์องค์นั้นบางมารับใช้องค์นี้บางมารับใช้บางทีก็เนรมารับใช้บางทีก็พระมารับใช้เปลี่ยนหน้ากันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือไม่ไม่ท้าบอลเหมนกันทั คำว่าไม่ท้าวลก็คือขาดความรับผิดชอบแท้เนี่นี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละคือความรับผิดชอบเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ทําแบบเป็นจิตกะลักษณะหรือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยจังหาผู้รับผิดชอบยังไม่ได้อองค์นี้อยากจะทําก็ทํำองนั้นก็ไปองค์หนึ่งเขามาทําแล้วก็องนั้นก็มาแทนก็ไปให้เขาว่าพระพุทธองค์ก็อายุสูงขึ้นเรื่อย อายุมากขึ้ น, นเรื่อยๆบริษัทบริวารก็มากขึ้ น, นเรื่อยๆภาระที่จะต้องดองแลกมากขึ้ น, นเรื่อยๆบางทีก็ทําไงไปอบรมสั่งสอนบาทล้างแล้ยังบริหารเก็บแล้วยังลักษณะอย่างนี้สรุปแล้วก็คือหาคู่รับผิดชอบอย่างไม่ได้ที่แน่นอนแต่วันหนึ่งที่เป็นเหตุใหญ่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในชนบท คือหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งเหมือนกันพอแสดงธรรมเสร็จแล้วพระเมกคียะปัจชาชมะณะก็ว่าปัจชาธรมะณะคือเป็นเพื่อนของพระพุทธเจ้าเด็กเพื่อนเดินทางเพื่อนดูแลเพื่อนอุปถากตกำกับดูแลพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นเป็นปัจชาชมะณะเดินทางมาถึงทางสองแผงพระเมกคียะเป็นผู้ตะภายบาดพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเดินนําหน้าพระเมกิยะตะภายบาทตัวเองนะไปตะภายบาทพระพุทธเจ้าเดินตามหลังมาพอมาถึงทางสองแพ่งพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปกรุงสาวัตถีแต่พระเมกรณะบอกว่าข้าพระองค์อยากจะไปภาวนาที่สวนมะม่วงอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ร่มรื่นราบรื่นดีร่มรื่นดีอยากจะไปภาวนาอพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมกรณ์ เมกิยะเธอให้ไปส่งเราซะก่อนให้ไปถึงที่ซะก่อนเธอจะไปภาวนาอย่าค่อยไปพอเดี๋ยวนี้เราก็ไปองค์เดียวให้ไปส่งเราถึงที่ซะก่อนแล้วเธอจึงจะไปไปไปภาวนาที่นั่นก็ไปไปได้นะแต่ไปส่งเราซะก่อนแต่พระเมคิยะเน่ยดันทูหลังลูกเดียวครับเพราะว่าข้าพระองค์อยากจะไปภาวนาตรงนั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสจะให้มันสืบเนื่องต่อเนื่องลักษณะอย่างนั้นะ อ้างเหตุผลข้างๆคูๆไปงั้นแนหะผลในสุดพระพุทธองค์ก็บอวกว่าเมกียะวางบริขารลงตรงนั้นอนะ่ะตรงทางสองแพ่งนั่นแหะตรงนั้นอนะ่ะแล้วเธอก็ไปเลยเพราะว่าพระเมขียะก็วางบริขารลงจุดนั้นจริงเอยแล้วพระเมกียะก็ไปพุทธองค์ก็เอาบาดตะภายขึ้นบนบา่าเดินดุ่มไปตามลําพังพระองค์จนถึงกรุงสาวัตถีนะ พ่อเมกีแยกกับไปภาวนาอยู่ป่ามะม่วงเพราะเป็นนั่งภาวนาคิดว่าตัวเองทําไม่ถูกใช่ไหมละ่ะมันจะจิตสงบได้ยังไงสิเนี่ยมันไว้ตกมันกังวลว่าเวอ้างวางังออมันคิดปรุงฟุ้งไปหมดสนะิเนี่ยทั้งที่มันจะสงบโอ้เราเนี่ยทำไม่ถูกเรามากับพระพุทธเจ้าสององค์น่าจะไปส่งท่านให้ถึงที่ซะก่อนท่านก็บอกให้ไปส่งถึงที่แต่เราทําไมมีทิฏฐิมานะถึงขนาดนี้ พ่นถูกกเลยพ่อวนาไม่เป็นไม่ไปได้กล่าบมากลับมากลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกว่าขออภัยที่ข้าพระองค์ได้กระทำไปที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของวัตตะเป็นเรื่องของโลกเราไม่มีเราไม่ถือโทษโกรธเครืองให้แก่ใครอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องของวิบากเรื่องของวัตะเพระองค์ก็ไม่ไม่ด้ว่าอะไร พระเนซูตพุทธองค์ก็เลยประกาศนะประกาศขึ้นมาในท่ามกลางสมวัชเราเป็นผู้เข้าสู่ไวยฉลาแล้วแล้วก็เรามีบริษัทบริวารคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายเห็นเห็นว่ายอย่างไรควรจะมีอุปาถากถาวรหรืออย่างไงดีไหมหรือว่าพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่ายอย่างไง อันนี้คือพระพุทธองค์ประกาศในถ้ำกลางสงนะท่นนี่อันนี้แหละนี่ที่พระพุทธเจ้าประกาศหาพุทธอุปถักภครั้งแรกท่านี้พระสาลีบุตรที่เป็นอ克拉สาวกข้างขวาคือเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นมหาเถระรองจากพระพุทธเจ้าคืออั克拉สาวกข้างขวางนั้นแหละพระโมคคัลลาน์เป็นอัครส า, าวกข้างซ้ายพระสาลีบุตรนั่งกระยงปนมมือต่อพระพรกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าง ในเมื่อพระบิดาคือพ่อมีความขัดข้องที่จะหาอุปถัคข้าพระ อ, องค์เองที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นลูกผู้ใหญ่ของของตระกูลของพ่อข้าพระ อ, องค์เองต้องรับภาระทุกอย่างในภาระหน้าที่ของพ่อเพราะนั้นข้าพระ อ, องค์เองจะเป็นผู้ปฏิบัติพุทธอุปถัคพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพุนะ ภาษาบุตรท่านแสดงความจำนงให้ได้กะว่าทำไมจึงว่าพอเพราะเหตุอะไรเพราะพระพุทธองค์เป็นผู้ให้ธรรมะจนท่านได้บรรลุธรรมได้ตัดสรุปธรรมได้เป็นพระอรหันต์รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะทำคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมแนะนําสั่งสอนเพราะนั้นท่านจึงเป็นพุทธประทาพระพุทธองค์ก็บอกว่ า, วายัางยังไม่เหมาะสมสลิบุตรเธอยังช่วยเราภาระอื่นยังมีอีกมากเพราะนั้น ยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะมาอุปถักตจากนั้นถึงพระสารีบุตรพระโมกคลากนินั่งกระยองพนมมือขึ้นมาอีกนี่ในเมื่อพระพุทธองค์ยังไม่พร้อมที่จะให้ท่านสารีบุตรพี่ชายใหญ่เป็นผู้พุทธอุปถักตข้าพระองค์เองเป็นองค์รองข้าพระองค์พร้อมที่จะเป็นพุทธอุปถักตพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระผมจะเป็นผู้รับเป็นผู้รับภาระ ในการดูแลอุปธรรมประตักพระพุทธองค์เป็นพุทธอุปถักต์พระองค์บอกยังโมกกลายยังไม่ใช่นาทีของท่านท่านให้ช่วยเราอย่างอื่นแนะนำสั่งสอนปวงประชามีอีกมากที่จะได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนจากนั้นพระอสิสติมหาสาวกทั้งหลายเรียงลำดับตามพรรษาแสดงความจำนงนึ้นมาเรื่อยๆจนถึงพระอนนท์พระอนในนิ่งเฉย ไม่ว่าอะไรทั้งหมดพระสงฆ์ทั้งหลายก็อเอา้าท่านอนุนทำไมท่านไม่แสดงความจำงที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าเลยท่านไม่แสดงความจำงเลยไม่แสดงความอยากจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าเลยทำไหม่พระอนุนก็กลบับพูดขึ้นมาในท่ามกลางสงฆ์ว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าประทานพรให้เก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะปฏิบัติ แต่ถ้าพระองค์ไม่ประทานพรให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะคงจะปฏิบัติไม่ได้เพราะพระพเจ้าก็ะถามมาอา้าวประทานพรนั้นคืออะไรผู้ใดเจ๊ประทานให้เราตถาคตประทานพรให้นะคือประทานพรเรื่องอะไรพระอานนท์ก็กราบทูลขึ้นว่าอย่าให้อาหารอันปราณีบแก่ข้าพระองค์เอาทําไมเกี่ยวข้องอะไรเมื่อในเมื่ออุปถากเราทําไมจึงมันเกี่ยวเรื่องกับอาหาร พระ อ, อนร์บอกว่าต่อไปภายภาคหน้ากุลบุตรสุดท้ายภายหลังเมื่อวัดทราบว่าพระ อ, อนร์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จะหาว่าเนี่ยพระนร์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะกินอาหารดีๆอเพราะนั้นข้าพระ อ, องค์ไม่ไม่อยากจะได้ยินคนํานี้เพราะนั้นพระ อ, องค์ได้อาหารดีกระตังไม่ให้ให้ข้าพระเจ้าข้าพระ อ, องค์อย่าให้อันจีวรอันปราณีตแก่ข้าพระเจ้าก็เหมือนกัน อย่านําข้าพระองค์เข้าไปในเวียงในวังถ้าว่ามีเข้าไปในเวียงในวังพวกพระองค์ได้รับนิมนต์จากพระเจ้าแผ่นดินอย่านําข้าพระองค์ไปด้วยเพราะว่าเขาจะว่าพระนนท์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าเวียงเข้าวังอยากจะรู้จักญาติโยมผู้ใหญ่ในเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้อที่สามจุดนี้สําคัญข้อที่สาม เมื่อพระพุทธองค์ไปแส ด, แสดงทําให้แก่ใครที่ไหนประเทศไหนหรือตระกูลไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็พูดให้ข้าพระองค์ฟังอีกว่าวันนี้เราได้ไปพบกับตระกูลนั้นไปเจ้าแผ่น ด, ดินนั้นเศรษฐีนั้นได้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้มาพูดให้ข้าพระองค์ฟังอีกอันนี้เพราะว่าต่อไปภายพังหน้ากุลบุตรสุดท้ายภายหลังท่าน อ, อ น, นุนที่พระพุทธองค์ได้เทศให้แก่เศรษฐีท่านนั้นอะ ธรรมะสูตรชุดนี้น่ะท่านอานุนได้ยินไหมไม่ได้ยินก็เหมือนกับข้าพระองค์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นอยากจะให้พระองค์พูดให้ข้าพระองค์ฟังองีกอันนี้ก็คือข้อน่งข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าพรเจ้าข้าพระองค์มีความข้องใจสงสัยในธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นกลางค่ำกลางคืนจะเป็นเวลาไหนก็ตามขอขอให้ข้าพระองค์ได้เข้าไปกราบถาม ปัญหาข้อนั้นๆที่ข้องใจในทุกเวลาโอ้ตัวนี้หนักวพอสมควรเหมือนกันเถอะเออเอาพูดไปพุทธองค์ก็ฟังไหมในเมื่อพุทธบริษัทสี่เข้ามาเข้ามาหาข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์พิจารณาดูแล้วว่าพุทธบริษัทสี่นี้สมควรที่จะเข้าไปการาบพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจ และข้าพระองค์ได้นําพุทธบริษัทสี่เข้าไปกราบพระพองค์ขอพระองค์เทศนาโปรดแก่เขาเหล่านั้นด้วยไม่ใช่ว่าเข้าไปเลยจะจะ ะ, ะเอาม า, ามายุ่งทําไมลักษณะงานณ์งนั้นพระอนนท์กลัวตรงนั้นและ อ, อันดับหนงก็ว่าในเมื่อพุทธบริษัทสี่นิมนต์พระพุทธองค์ให้ไปฉันหรือไปแสดงธรรมหน้าสถานที่ใดแต่ข้าพระองค์มองดูแล้วว่า เขาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาข้าพระองค์รับนิมนต์เขาเอรับนิมนต์เขาในเมื่อข้าพระองค์รับแล้วนี่เมื่อพระองค์เสด็จมาข้าบองค์มอบไปนิมนต์พระทธองค์พระพุทธองค์ต้องรับนิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้แล้วนั้นออทําไมจุดนี้พระนรนบอกว่าพระพุทธองค์ข้าพระองค์ปฏิบัติพระพุทธองค์ ไม่มีเผ่าเวอร์อะไรเลยเพราะงั้นเดอะเออปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนั้นล่ะพระนุ์ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในเมื่อพระอนุ์พิจารณาดูแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะสมควรพระพุทธองค์ก็ต้องรับไปนี่แหละอัะไรหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยคงจะเกิดไม่ทั้งหมดมั้งอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างให้พวกเราให้ศึกษากันแล้วกันแต่เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่พระอานุ์กราบทูลขอ ขอพ ร, พอรจากพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพุทธอุปถากจากนั้นพุทธองค์ก็เอาให้ทั้งหมดจากนั้นพระนรินท์ก็เลยเป็นพุทธอุปถาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นผู้รับผิดชอบนะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันการทําอะไรออกออกไปถ้าไม่ขาดหาผู้รับผิดชอบไม่ได้งานทุกชิ้นมันไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยหรอกอทำกะเกะกะการทิ้งๆข่องข่างไปคนนั้นทิ้งนี้คนนี้ทิ้งนั้น ผลในสุนเลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของพระ พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่มีกฎมีระเบียบนะมีแบบมีแผนแห่งความเป็นมานะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ว่าพุทธอุปถาคพระ อ, อ น, นุ์ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรนะอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังนะนี่แหละหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังกับเป็นกติตัวอย่างสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายคือพระอา น, นุ์คือภาษาลิบุตร ถือพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าให้ทำมรรคําคำสั่งสอนจุดประเทีในดวงใจของท่านจนท่านได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์อันนี้พ่อแม่ของเราคืออะไรพ่อแม่ของเราก็คือให้กําเนิดตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่แล้วก็จะพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาอันนั้นก็คือพวกเราควรจะอุปถัมภะถากอย่างที่พระสารีบุตร เประกาศว่า น, นี่คือพระบิดาของของข้าพเจ้าอันนี้เหมือนพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้มาจากพ่อจากแม่อันนี้ก็คือพ่อแม่ของเราไม่เป็นอย่างอื่นเอเพราะนั้นทั้งสองอย่างคือพ่อแม่ทางธรรมและพ่อแม่ทางโลกเนยะทางโลกก็คือพ่อแม่บิดามารดาของเราพ่อแม่ธรรมะก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะแก่เราเนะ น, นี่ยเป็น ย่งพระพุทธเจ้าให้ธรรมะแกพระสาวกทั้งหลายอันนั้นเป็นพระบิดาทั้งสองอย่างนี่ก็มีคุณค่าถ้าว่าพวกเราพิจารณาดูด้วยปัญญาเนี่รับผิดชอบนะถ้าเกิเข้าไปรับผิดชอบเท่าเที่เราจะรับผิดชอบได้เมื่อเราทําดีแล้วนะบุญกุศลหรือ ก, กรรมที่เราทําดีแล้วมันจะมาสนองพวกเราแต่เราทําไม่ดีกรรมที่ไม่ดีน่าจะสนองพวกเราเช่นเดียวกัน กรรมนีนาวัตติโลโกโลสัตโลกย่อมเป็นไปตามกลธรรมที่ตนได้กระทํำไ้แล้วนะถ้าทําไม่ดีกรรมไม่ดีก็ต้องสนองถ้าเราทํากลธรรมดีกลธรรมดีก็ต้องสนองเรานะวันนี้หลวงพ่อได้พูดยาวไปสักหน่อยเหมือนกันนะเป็นแนวความคิดสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายอตอนนี้ไปรับพรอนุอนมโมทนาให้พร